อีกช่วงของรายการเอ่อคุยธรรมะที่เรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำแต่แต่วันจันทร์ถึง นะยูนี่ว่าซะเอาก็จริงจําได้ก็จริงในเรื่องมติความรู้นั้นหน่อยอาจจะยังจํานะเราจําได้เรารู้ทั่วถึงท่องได้สอบแล้วก็เขียนผ่านแล้วทีนี้การนําเอามาๆไม่ได้จําเป็นต้องจํากัด หรือว่าอยู่ในห้องพระหรือว่าอยู่ตามสถานที่ที่มันวิเวกลีกเร้นนะไม่ได้จําเป็นต้อง และไม่มีการสอนไม่มีการแบ่งปันกันมีแต่การแข่งนะที่บ้านของเราเองถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันไม่ บางคนคิดว่าตัวเองไม่เคยฝึกนั่งสมาธิเลยไม่เคยไปวัดนั่งสมาธิแต่ตัวเองนั้น มีการทำที่เป็นรูปแบบอันนั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบนะเราก็อย่าไปยึดติดยึดในรูปแบบ นะแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการบอกสอนปู่บ้าง 2 วัน 3 วันบางทีอาทิตย์นึงอาทิตย์นี้ไม่พบใครเลยอยู่คนเดียวนะบิณฑบาตก็ไม่ไปนะภิกษุไปบิณฑบาตแล้ว 15 วันก็มี 3 เดือนก็มีตลอดปรรษาก็มีบางปีไปหลีกเร้นนะเป็นผู้ที่ไม่เลิก อ่ะทําเป็นตัวอย่างด้วยนะจนกระทั่งทําบ่อยทํามากจนกระทั่งคนปฏิบัติธรรมอยู่นั้นพระชาติก็บอกว่าให้กับภิกษุทั้งหลายนะคนรุ่นหลังเค้ามา เราฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็ดีก็ด้วยเราฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็ดีก็ด้วยนะเราทําเองเสียๆให้หายเรื่องไม่จริงด้วยใช้คําหยาบบอกค่อยๆทําความ มันมีการปฏิบัติธรรมอยู่ในอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่มี ถ้าเห็นความดีของเทวดาแม้เสี้ยวหนึ่งพอที่จะดึง อยู่แน่นอนนะตามเส้นทางที่พระเจ้าพูดถึงนั้นก็คือเจตนาเจตนาในการที่จะเว้นจากการลัก เวลาที่โจรเนี่ยเวลาเค้าจะขโมยเนี่ยเค้ายังไม่ได้ขโมยนะเค้าคิดว่าจะขโมยเจตนาว่าจะขโมยอันนั้นเชื่อว่าเพราะเค้าตั้ง ยังไม่มีใครตายก็ตามยังไม่มีใคร 5 ข้อนี้นี้นะเกิดขึ้นชื่อว่าคุณผิดศีลแล้วเหมือนกันนะศีลคุณก็มีความด่าง 1 ในด้วยการให้มี นะตั้งใจอยู่เป็นปกติว่าเราจะไม่ทําประพฤติผิด ก็จะต้องวางฐานรากปรับพื้นรับน้ําสร้างโครงสร้างอาคารขึ้นไปนะสิงห์เกอร์เปรียบ นะศีลของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพราะว่าเหมือนยังตึกรางบ้านช่องเนี่ยนะฐานรากเนี่ยสําคัญสร้างบ้านอย่าง นะสําคัญในการที่จะพัฒนาจิตของเราให้สูงมีสมาธิแต่เป็นจิตที่มีปัญญาได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจและ นะตั้งใจว่าฉันจะไม่บีียดเบียนคนอื่นนะด้วยท่อนไม้ด้วยศาสตราด้วยของมีคมนะฉันจะเป็นคนที่มีใจเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่แต่ฉันจะเป็นคน ไอ้ความที่เรามีใจเอ็นดูเมตตาเกื้อกูลกับสัตว์ทั้งเออของตั้งอยู่วางอยู่ฉันจะไม่ นะเป็นคนอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโจดเราด้วยเรื่องไม่จริงนะถึง หัวใจของเราสบายแล้วเนี่ยเอ่อเราจะมีปิติมีสุขอยู่ข้างใน มาจากความที่เราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมาจากความที่เราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการเราจะต้องหาพึ่งจากสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นของหยับ แต่เดินไปเดินไปแม้มีความสุขอ้าวไปเห็นกองขยะกองใบเริ่มอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยตายละความสุขนั้นหายไปทัน นั่งสมาธิมันนั่งยากนะมันนั่งก็จะไม่เห็นความ ไอ้ตัวนิมก็จะมาตามหลอกล้อนทําให้ใจของ นะปกกายของเราไม่วุ่นวายไปทําสิ่งภายนอกแล้ว อติของเรานี้จะสามารถที่จะ 8 ศอกยาว 8 ศอกฝังลงไปในดิน 4 ศอกโผล่ 4 ศอกเนี่ยเอ่อมันเวลา แล้ววัน